จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่กุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่า จากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลาว่างนี้มาวัดเพื่อใช้เวลาให้เป็นคนเป็นประโยชน์กับชีวิตและจิตใจของตนเพราะ <c oughs> ชีวิตและจิตใจนี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของพวกเรา <c oughs> เราจะสุขเราจะทุกข์ก็อยู่ที่ชีวิตจิตใจของเรา ใจจิตใจของเรานี่แหละเป็นผู้ <c oughs> ที่สร้างความทุกข์ลักสร้างความสุขแล้วก็เป็นผู้ที่รับความทุกข์และรับความสุขเหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราเอาอะไรมา <c oughs> ทุบตีร่างกายของเราเราก็จะต้องรับความเจ็บปวดจากการทุบตีของเราฉันใด จิตใจของเรานั้นก็เป็นเหมือนกับร่างกายแต่เราไม่ต้องใช้ไม้มาทุบตีจิตใจเพราะจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นวัตถุเราจึงไม่สามารถที่จะเอาวัตถุมาทำลายจิตใจให้เกิดความทุกข์ได้แต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจนั้นเกิดความทุกข์หรือเกิดความสุข ก็อยู่ที่ความคิดของจิตใจนั่นเองถ้าคิดดีจิตใจก็มีความสุขถ้าคิดไม่ดีคิดชั่วจิตใจก็มีความทุกข์นี่เป็นเรื่องของจิตใจที่ต่างกับร่างกายร่างกายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนย่อยของชีวิตเราองค์ประกอบส่วนสาคัญ ของชีวิตเรานั้นอยู่ที่จิตใจเพราะถ้าไม่มีจิตใจแล้วชีวิตของเรานั้นก็ไม่สามารถดาเนินต่อไปได้เช่นร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตใจไว้เป็นผู้มาสั่งการสั่งงานก็จะกลายเป็นเหมือนซากศพไปคนที่ตายไปแล้วนี้เป็นร่างกายที่ไม่มีจิตใจเหลืออยู่แล้วจิตใจได้ ทิ้งร่างนี้ไปแล้วจิตใจได้ไปสู่ที่อื่นแล้วเ<ป>มื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายนั้นก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ก็<ป>นอนอยู่เฉยๆแล้วก็จะต้องค่อยๆเสื่อมสลายไปในที่สุด<ป>เพราะไม่มีจิตใจที่จะมาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่สืบต่อไปนั่นเอง แต่คนที่ยังมีจิตใจอยู่ในร่างกายนั้นร่างกายก็ยังสามารถที่จะมีการสืบต่อได้ยังสามารถที่จะทําอะไรได้จะเดินจะวิ่งจะนั่งจะนอนจะรับประทานอาหารจะไปทําอะไรก็ยังสามารถทําได้แต่ต้องมีจิตใจเป็นผู้ควบคุมเป็นเหมือนกับเป็น ที่เรียงนั่นเองถ้าร่างกายนี้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับเด็กทารกเด็กทารกนี้จะไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ดูแลคอยเลี้ยงดูจนกว่าที่เด็กจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นแต่จิต แต่ร่างกายของเหล่านี้จะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นทารกไปตลอดชีวิตถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าไม่มีจิตมาดูแลรักษาแล้วร่างกายนั้นก็จะกลายเป็นซากศพทันทีแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะต้องเน่าเปื่อยไปจนกระทั่งไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นี่เป็นเรื่องของร่างกายของเรา แต่จิตใจของเรานี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเพราะทุกขณะนี้ที่เราทำอะไรได้นั้นก็เพราะว่าเรามีจิตใจเป็นผู้สั่งการนั่นเองดังนั้นการที่เราจะต้องดูแลศึกษาทำความเข้าใจกับธรรมชาติของจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำคัญกว่าศึกษาธรรมชาติของร่างกายเรื่องของร่างกายเราก็พอที่จะรู้อยู่ว่าทำอย่างไรให้ร่างกายนั้นสามารถอยู่ได้ก็ไม่มีอะไรมากก็ให้หายใจอยู่เรื่อยๆอย่าไปหยุดหายใจร่างกายมันก็ไม่ตายนอกจากหายใจแล้วก็ต้องให้อาหารอย่างอย่างต่อเนื่องให้น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้อง ปกป้องรักษาด้วยเสื้อผ้าด้วยที่อยู่อาศัยไม่ให้แดดให้ฝนไม่ให้มแมลงสัตว์กัดต่อยมากัดมาทําลายร่างกายอันนี้ได้และถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีอยู่มียามาคอยดูแลรักษาเท่านี้ร่างกายก็สามารถอยู่ไปได้จนกว่าจะหมดอายุไขของมันแต่จิตใจนี่ เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ว่าเรารักษาจิตใจของเราอย่างไรทำอย่างไรทำให้ใจของเรานีไม่มีอารมณ์ทำอย่างไรทำให้เรามีแต่ความสบายอกสบายใจอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเราไม่เคยศึกษาเราไม่รู้ว่าอะไรทําให้จิตใจของเราต้องเกิดมีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นหัวขึ้นมา ไม่ทราบว่าอะไรทำให้จิตใจของเราต้องมีความทุกข์มีความกังวลใจเพราะว่าเราไม่มีใครที่จะมาสอนเรานั่นเองเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องของจิตใจของเราพ่อแม่ก็ไม่สามารถสอนไม่ให้เรามีความโกรธไม่ให้มีความโรคได้ ว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความโลภความโกรธนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องอาศัยคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้จักเข้าใจถึงเรื่องจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีรู้ว่าอะไรจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสบายอกสบายใจ รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้จิตใจของเรามีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ศึกษามาและได้ปฏิบัติมาจนสามารถทําให้จิตใจของท่านนั้นมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายมีแต่ความเย็น ปราจากความทุกข์ความรุ่มร้อนความว้าวุ่นขุ่นมัวเพราะพระพุทธองค์ได้ศึกษาจนเห็นได้ชัดแล้วว่าเหตุที่ทําให้จิตใจของคนเรานั้นมีความว้าวุ่นขุ่นมัวก็คือกิเลสตัณหานี่เองกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเหล่านี้ถ้ามีปรากฏขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็จะทำให้จิตใจนั้นจะต้องมีความว้าวุ่นขุนมัวมีความรุ่มร้อนมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแล้วพระพุทธองค์ยังทรงรู้ด้วยว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความ โลกความโกรธอะไรทำให้เกิดความอยากต่างๆนานาขึ้นมาก็คือความหลงนั่นเองหรืออวิชชาความไม่เข้าใจในธรรมชาติของจิตใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจนั้นมีความสุขอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจนั้น <c oughs> มีความทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาจึงต้องทดลองจนกระทั่งเห็นแล้วว่าการที่จิตใจจะมีความสุขได้นั้นจิตใจต้องไม่โลภต้องไม่โกรธต้องไม่อยากในสิ่งต่างๆทั้งหลายจิตใจต้องระ ง, งับดับกิเลสตัณหาเพราะเมื่อจิตใจสบงบระงับจากความโลภความโกรธความอยากต่างๆแล้ว จิตใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นจิตที่มีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความปิติอยู่ในตัวเองนี่คือ <c oughs> สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาและได้ทำความเข้าใจจนเห็นได้อย่างแจ้งชัดแล้วว่าทำอย่างไรเราคนเรา จึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงคือล่องทำใจของเราให้สงบให้สัดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองดังนั้นหน้าที่ของเราที่แท้จริงในการดาเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความเจริญเราต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาทั้งหลาย อย่าปล่อยให้กิเลสตัณหานี้ออกมาเพ่นพ่านเพราะทุกครั้งที่กิเลสตัณหาออกมาเพ่นพ่านก็เหมือนกับพวกคนที่ติดอยู่ในคุกหนีออกมาจากคุกนั่นแหละคนที่ติดคุกแล้วหนีออกมาจากคุกนั้นเป็นอย่างไรเราก็คงจะทราบอยู่ว่าเป็นคนที่มีอันตรายเป็นคนที่สามารถสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นได้ชั้นใดกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนกับนักโทษที่หนีและลอดออกมาจากคุกนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเราจะต้องคอยจับคอยทําลายพวกกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่าให้มัน <c oughs> มีอํานาจวาสนา ถ้ามันมีอำนาจวาสนาใหญ่โตแล้วมันจะสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราแบบไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่ามันจะหลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆมาครอบครองเป็นสมบัติได้เป็นจำนวนมากเช่นหาเงินหาทองได้เป็นจำนวนหมื่นล้านแสนล้าน สามารถที่จะให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีตำแหน่งสูงๆเช่นเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเถิดแต่ถ้ามันยังมีอยู่ในใจของเราแล้วมันจะต้องทำให้เรานั้นต้องมีความตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลาคือเราจะไม่สามารถ นั่งอยู่เฉยๆได้เลยเพออยู่เฉยๆแล้วก็จะเกิดความอึดขัดใจเกิดความเบื่อหน่ายจะต้องออกไปหาอะไรทำจะต้องออกไปหาอะไรมาให้กับจิตใจถึงจะมีความสุขได้จิตใจก็จะต้องมีความขวนขวายมีความตะเกียกตะกายอยู่ร่ำไป เพราะว่าไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแต่มันจะไม่สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับจิตใจเลยจิตใจจะต้องรู้สึกหิวรู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเท่านั้น <c oughs> ก็ต้องเกิดความอยากได้ขึ้นมาทันที <c oughs> นี่คือ ปัญหาของชีวิตของเราคือิเลตันหาตัวก่อสร้างปัญหาทั้งหลายเราจึงต้องมาดำเนินชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราดำเนินคือเราต้องเจริญธรรมะที่เรียกว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยก็คืออย่าไปโลภมากนั่นเองอย่าไปอยากจะได้อะไรมากมาก เอาเท่าที่จำเป็นก็พอคำว่าน้อยก็คือเอาเท่าที่พอเพียงต่อการดำรงชีพของเราเช่นรับประทานอาหารก็รับประทานพอประมาณอย่าไปรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายเพราะถ้ารับประทานมากกว่าความต้องการของร่างกายแล้วร่างกายก็จะต้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมามากเกินความจำเป็น ก็จะกลายเป็นคนอ้วนไปกลายเป็นคนมีรูปร่างที่ไม่สวยงามกลายเป็นคนมีโรคภัยรุมเราที่เกิดจากมีน้ำหนักเกินนั่นเองนี่ก็คือปัญหาของเราเราจึงต้องมาใช้ความมักน้อยเป็นหลักในการดรำเนินชีวิตเอาเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เพราะมีมากเกินกว่าความจำเป็นมันไม่ได้เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปกว่าเดิมแต่กลับจะมีความทุกข์มากขึ้นไปกว่าเดิมซสีอีกคือร่างกายก็จะต้องทำงานหนักขึ้นจะต้องมีมีปัญหากับโครคภัยไข้เจ็บที่ตามมานี่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเรา แต่มันจะครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเลยชีวิตของคนเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีได้แต่ขอให้มันมีในกรอบของเหตุของผลคือคอของความจำเป็นเท่านั้นจำเป็นจะต้องมีอะไรไว้เพื่อดำเนินชีวิตก็มีมีไปเช่นต้องทำงานทำการ เพราะว่าถ้าไม่ทํางานทําการก็จะไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้ก็จะไม่มีอะไรมาจุนเจือดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขเราก็ต้องทํางานทําการเวลาทํางานทําการเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นต้องมีรถยนต์สําหรับไปทํางาน มีเสื้อผ้าไว้สำหรับใส่ไปทำงานมีเครื่องม <c oughs> ืองมือต่างๆที่จะต้องใช้ในการทำงานสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างนี้เราต้องหามาต้องมีไว้แต่ให้มันมีพอกับความจำเป็นของงานนั้นก็พอส่วนอย่างอื่นที่มันไม่มีความจำเป็นเราอย่าไป หามาจะดีกว่าเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันจะเกิดโทษกับจิตใจของเราเพราะมันจะหลอกให้เราหามาอยู่เรื่อยๆได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุขมีความพอใจอยู่ได้สักระยะหนึ่งพอเห็นสิ่งใหม่ๆออกมาอีกก็เกิดความอยากที่จะได้ขึ้นมาอีก สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่มีความหมายต้องเอาสิ่งใหม่ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีสิ่งใหม่อันนี้มาก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าจิตใจมีความโลภมีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันจะสร้างความรุ่มร้อนให้เกิดขึ้นกับจิตใจโดยกระทั่งทนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้อง ออกไปหาไปซื้อสิ่งที่ต้องการมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอีกมันก็จะเป็นแบบเดิมอีกพอได้มาแล้วก็สักพักหนึ่งก็เบื่อก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆอีกนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่มีความจาเป็นต่อการดำรงชีพของเราเช่นของสวยๆงามๆที่เราเรียกว่า ของฟุ่มเฟือยทั้งหลายเช่นของประดับประดาต่างๆจะว่าเป็นเพชรเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่มันไม่มีความจำเป็นคือเสื้อผ้าที่เรามีไว้สำหรับใส่ปุกปิดร่างกายของเราเราก็มีอยู่พอเพียงแล้วแต่เวลาเราเห็นเสื้อผ้าที่เขาทำออกมาขายชุดใหม่ๆมีสีสันแปลกแปก ดูแล้วก็เกิดความอยากจะได้มาอย่างนี้เรียกว่าเป็นของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นพยายามเอาความมักน้อยคือเอาเหตุผลได้มาสกัดจะดีกว่าสกัดบันถามตัวเราเองว่าเราไม่มีเสื้อผ้าชุดใหมน่นี้เราจะตายไหม เรายังมีเสื้อผ้าชุดเก่าๆที่เรายังใส่ได้อยู่หรือไม่อย่างนี้ถ้ายังใส่ได้อยู่แล้วเรายังไม่ตายก็อย่าไปอยากได้มาจะดีกว่าเพราะมันอยากได้แล้วมันจะไม่ได้หยุดตรงนั้นเดี๋ยวมันก็อยากได้ชุดใหม่ตามมาเรื่อยๆนี่เป็นธรรมชาติของความอยากที่เกิดจากความหลงคือความไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเอง คือความไม่มีความมักน้อยไม่มีความสันโดษความสันโดษนี้หมายถึงความยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรได้อะไรมาก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาเป็นเหมือนกับนักบวชนักบวชเวลาไปบิณฑบาตใครเขาจะใส่อะไรมาให้รับประทานก็พอใจกับสิ่งที่ได้รับมา จะไม่บน่นจะไม่มีความรู้สึกอิดหนาระอาใจเมื่อได้สิ่งที่ตนเองไม่ชอบไม่ถูกกับกิเลตตันหาของตนอย่างนี้เป็นเรื่องที่นักบวชพยายามที่จะควบคุมบังคับจิตใจคือถ้าเป็นอาหารที่เขารับประทานกันได้รับประทานแล้วทาให้ร่างกายมีความอิ่มมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิว ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นชนิดอาหารที่ถูกกับปากถูกกับใจของเราถ้าเรามีมากความมากน้อยสันโดษอยู่ในจิตใจของเราแล้ว <c oughs> จิตใจของเราจะสามารถระ ง, งับดับกิเลสตัณหาต่างๆได้ มากจนสามารถดับได้หมดเลยทีเดียวถ้าเราสามารถดับกิเลสตัณหาได้หมดไปจากจิตจากใจแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับการ <c oughs> ทําให้สิ่งเหล่านี้ดับไปเพราะเมื่อมันดับไปแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย เหมือนกับพวกนักโทษที่ดีออกมาจากคุกได้ถูกเจ้าหน้าที่ <c oughs> ทางบ้านเมืองจับไปทำลายจนหมดสิ้นแล้วคนประชาชนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องมีความหวาดกลัวว่าจะมีใครมาทำลายเพราะพวกที่ หนีออกมาจากคุกนั้นได้ถูกตำรวจเขาจับหรือถูกเขาฆ่าทิ้งหมดแล้วยังไม่มีใครที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอีกต่อไป <c oughs> กิเลสตัณหาก็เป็นแบบคนที่ติดคุกแล้วหนีออกมานั่นเองเมื่อออกมาแล้วมันก็จะสร้างแต่ความวุ่นวายใจให้กับเรา แต่ถ้าเราไม่มีกิเลสตังหาแล้วเราจะอยู่เฉยได้เช่นวันนี้วันเสาร์ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็อยู่บ้านได้อย่างสบายไม่ต้องไปวุ่นวายแต่งตัวไม่ต้องไปวุ่นวายกับการออกไปข้างนอกไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายกับการที่เราต้องออกไปข้างนอก นี่แหละคือความวิเศษของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถนำเอามาปฏิบัติได้แล้วจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเราไม่ต้องตะเกียกตะกายสแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจที่สงบระงับ จากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องใช้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างความมาักน้อยสันโดษให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้แต่การที่จะทำโดยที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนั้น <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ยาก เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำให้เราเกิดความสมักน้อยสันโดษขึ้นมานั่นก็คือการมีการเสียสละเรามีอะไรที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราควรที่จะเสียสละให้กับผู้อื่นไปเรามีเวลาอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ควรที่จะสละเวลานี้ทำประโยชน์ให้อะไรกับผู้อื่นบ้าง น, นี่เป็นวิธีสกัดความโลภความอยากต่างๆได้ <c oughs> ขั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีจาคะคือให้มีการเสียสละพยายามใช้เวลาและสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่ แต่ไม่มีความจําเป็นกับตัวของเราเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็ให้เราตั้งอยู่ในความเป็นปกติคือไม่ว่าเราจะทําอะไร <c oughs> เราต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทําของเรานั้นไปสร้างความ <c oughs> เดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะ ถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วเดี๋ยวความเดือดร้อนนั้นมันก็จะกลับมาที่ตัวเรา mm hmm. เช่นเราอย่าไปเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เรา mm hmm. เราอย่าไปเอาของเขามา mm hmm. เราอย่าไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพราะชีวิตของแต่ละคนนั้น เป็นสิ่งที่มีค่า ม, มีเป็นสิ่งที่ทุกคนสงวนไม่ปราดไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเมื่อชีวิตของบุคคล น, นั้นถูกทำร้ายไปก็จะต้องสร้างความทุกข์ให้ทั้งกับคนที่ตายไปและกับคนที่เป็นคนรักเช่นญาติเสลิมมิตรสหายก็จะต้องมี ผู้ที่เขาจะต้องมาตามจับเราเพื่อนำตัวเราไปลงโทษเพราะถ้าปล่อยให้เราอยู่ในสังคมแล้วสร้างความเดือดร้อนทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่น <c oughs> ก็จะทำให้เรา <c oughs> ก็จะทำให้สังคมนั้นอยู่ไ ม, ไม่สงบอยู่อยู่แบบไม่มีความสุข อยู่แบบมีแต่ความทุกข์ความกังวลใจเขาก็ต้องมาตามจับเราเพื่อจับเราเข้าไปขังเพื่อไปลงโทษหรือเอาไปทำลายเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความร้ายกาจของเราว่าเรามีความร้ายกาจเพียงใดดังนั้นการกระทำอะไรของเราต้องระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบไปเบียดเบียน ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชีวิตจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุก็ดีหรือเป็นบุคคลก็ดี mm hmm. เช่นสามีหรือภรรยาของผู้อื่นเราไม่ควรที่จะไปยุ่งไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่มีความสัจจะคือมีความจริงพูดอะไร ต้องเป็นความจริงอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่จริงเพราะจะไปทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาแล้วจะทำให้เขานั้นเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ต่อไปอเช่นเราไปหลอกยืมเงินเขาว่าขอยืมเงินแล้วจะเอามาคืนทั้งทั้งที่เราไม่เคย คิดว่าจะคืนเงินให้กับเขาพอเขาหลงเชื่อเราให้เรายืมเงินไปเขาก็ต้องมาเสียใจภายหลังเพราะไม่ได้รับเงินคืนไปนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นการโกหกหลอกลวงไม่มีสัก จ, จะเป็นการเบียดเบียนเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าเรามีความประพฤติแบบนี้แล้ว เราก็จะเป็นคนที่สังคมรังเกียจเป็นคนที่เราจะไม่สามารถอยู่แบบปกติ เ, เหมือนผู้อื่นได้ถ้าไม่ถูกเขาจับไปขังไว้ในคุกในตารางก็จะต้องถูกเขาจับไปประหารชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นเราจึงต้องพยายามระมัดระวังในเรื่องการกระทาของเราถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานั้น มีความโร่มเย็นเป็นสุดและประการสุดท้ายเราต้องมาควบคุมจิตใจของเราให้สงบให้นิ่งเพราะเวลาที่จิตใจของเราสงบแล้วนิ่งแล้วกิเลสตัณหามันจะไม่ปรากฏมันจะไม่เกิดขึ้นมามันไม่สามารถทํางานได้ขณะขณะจิตที่มีความสงบมีความนิ่งนั้น จิตจะมีความมากน้อยมีความสันโดษจะไม่หิวไม่กระหายไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วจะรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่นี้มันมากมายเกินความจ ำ, จำเป็นไปเสียด้วยช้ำไปแล้วจะทำให้อยากที่จะเอาส่วนที่เกินนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปแจกจ่าย เอาไปทำบุญทำทาน